เป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ดูก่อนพิสูุนทั้งหลายส่วนภิกษุรู้ยิ่งกําหนดรู้โมหะยังจิตให้คลายกําหนัดในโมหะนั้นละโมหะนั้นได้เด็ดขาดเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์อันนี้นะก็เอาเฉพาะโมหะขึ้นมาวินิจฉัยมาวิจัยแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งโมหะ อันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้หลงไปสู่ทุกคติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆนะครับนี่ก็ข้อความในโมหะสูตรซึ่งอัตกถาก็ไม่ได้ขยายเลยนะครับพวกก็ตรัสตามอัธยาศัยของผู้ฟังนะครับเขาถ้าใช้คำว่าโมหะแล้วเขาปิ้งอ่างนั้นเถอะ